ต่อเรื่องหยุดคนในคนคนใน 30 สิงหาคมพุทธศักราช 2531ณพุทธสถานปฐมอโศกขอ มีไอ้กล่อมๆ และวเลปัญญาห่วงปล่อยหรือยุดวางอย่างใดดังนั้นย่อมประมาณเอาตามภูมิตน ความบริสุทธิ์ๆไม่ เขียนตั้งแต่ยังไม่ได้ลาแต่ ก่อนจะคุยกันทั้งเรื่องรายละเอียดอ่าเอ่อไม่ใช่ผมขึ้นต้นกับ ที่ในภาษาไทยหมายถึงมนุษย์และตั้งเรียกภาษาไทยหมายถึงมนุษย์และตั้งคน ไอ้นี่ต้องถามคนต่างประเทศหน่อยอ่าเรา นี่เราแปลความหมายของคําว่าคนใน verb าา verb ๆนามนาม แปลในเชิง verb noun มนุษย์หรือ คนอันหมายถึงมนุษย์ทั่วไปนี่ คืออยู่ในกิริยาหรือเป็นอยู่โดยอยู่ ไอ้ตัวที่คนๆคนเนี่ยน่ะตัวเนี่ยน่ะ เพราะมันเป็นคนๆอยู่ในกวนๆวุ่นๆยุ่งๆวนๆ ที่ตั้งชื่อตัวมนุษย์เนี่ยว่าเป็นคำนามเนี่ยว่ามันแต่ๆแรงๆอยู่ ถ้าไม่เน้นก็ไม่รู้จะพูดว่าไอ้ตัวยุ่งๆกวนๆอยู่ มันยิ่งญวนมากเท่าไหร่มันยิ่งๆเนี่ยมันกวนจริงๆนะไม่มันจะเป็นคนอยู่อย่างนี้ กิริยาหรือมันมีกรรมมีการกระทําเป็นไอ้ตัวยวนตัวๆคนๆเลย เรียกคําว่าคนนี่จะเป็นคําที่ๆ อาตมาถึงทึ่งโอ้คำว่าคนๆนะคนๆเลยมันไม่มีทางเป็นอริยะมันไม่มี ถ้าใครหรือผู้ใดๆทําให้มัน หรือละเลงให้เข้ากันหยุดละเลงให้เข้ากันไม่ ก็กลายเป็นของจริงแท้ของจริงแท้พอหยุดคนก็จะกลายเป็นของจริงแท้ของจริงแท้ของจริงแท้พอหยุดคนก็จะ ผู้นั้นมีอะไรก็มีสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นนั้นมีอะไรก็มีเป็นสิ่งของนั้นอยู่อย่างนั้นนั้นอยู่ เหมือนอย่างสมมุติว่าเรามีน้ําบริสุทธิ์ก็ <'ve S 1> <น าม, S 2> น้าเอามาใส่ในในแก้ว คือเอาน้ำเชื่อมน่ะวางเป็นแท่งแปะลง วางในแก้วใบนั้นก็จะมีของสองสิ่งคือน้ำบริสุทธิ์กับน้ำเชื่อมถ้าใครไม่กวนมันหรือไม่คนมันบนน้ำบริสุทธิ์นั้นไม่ แม้จะมีใครหยิบเอาอะไรอื่นใส่ลงไปในแก้วนะอย่าให้มันไปปนกับ เป็นตัวของมันแท้ๆไม่ยากในการอ่านนั้นไม่สงสัยคือรู้ได้แก้วนั้น มันเห็นตัวน้ําบริสุทธิ์ก็เห็นได้ชัดๆแยกได้ ของอันนั้นก็แต่ ยิ่งถ้าคนผู้ไม่เห็นมาแต่ เพราะมันเกิดเป็นของใหม่มันเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาแล้วเกิดเป็นเพราะมันเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาแล้วใหม่ คนที่มองก็มองอย่างถูกพรางถูกลวงก็อ่านสติ มันกวนเข้าไปหาหมดแล้วทั้งน้ําบริสุทธิ์ทั้งนะถ้าจิตเนี่ยเพราะงั้นถ้า นะต้องใช้สติและสมาธิพิสุทธิ์ออกมาจน รู้แจ้งเห็นจริงแจ้งเห็นจริงคือหมดความไม่รู้มีแต่วิชารู้การรู้นั้นบารู้ ผู้ที่นําแก้วที่ใส่ ในแก้วนี้คืออาหารนี่ก็ตั้งชื่อมันใหม่ <ม. S 1> พอเอา 3 อย่างนี่คนก็หากันเรียบร้อยนี่มันเป็นสมผีสีมี เพราะว่าเรามาชิมมันดมมันยังไงก็ก็ ไม่สามารถแยกออกไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะเพราะเขาคนมันมาแท้กวนแล้วก็ผสม เหตุก็ๆทีๆอยู่ๆ อ่ะไม่ว่าไอ้สิ่งนี้คือน้ําโอชาๆเห็นเป็นชั้นๆนี่น้ําอ๋อสิ่งนี้ ถ้าไม่คนไม่ควรมาบอกเฮ้ยชบานชเบิร์นอะไรน้ําเฉฉ๋อยน้ําบริสุทธิ์ไอ้นี่ เราจะรู้เลยว่าของแท้ของจริงคืออะไรจะมาเรียกเออๆน้ําโอชะ เข้าไปจนถึงรากเหง้ามันได้ คินี้ในโอกาสต่อไปเราไปพบไปเห็นน้ําอะไร เป็นของผสมเป็นของที่คนรวมกันผสมเป็นของที่คนรวมกันเป็นๆ เราก็ไปยึดๆนะซึ่งผู้ยึดนี่ไม่ ทีเดียวก็ไม่ใช่ใช่มั้ยพอมันผสมน้ําปลาเข้าๆก็ไม่เชิงมันคงจะ นะเสร็จ แท้จริงคืออะไรจริงคืออะไรเค้าก็จะ ซึ่งเขาตั้งชื่อเรียกมันขึ้นมาเองต่างหากซึ่งเค้ารู้แจ้งเห็นจริง ไม่ประยุทธ์ถือไม่ไปอุปทานเนี่ยว่าน้ําโอชะบานเป็นของ ธรรมะโนดๆเนี่ยโดยๆน่ะโอ้มันไม่ใช่ของแปลกหลงไหลแต่คน มันไม่รู้อยู่ไม่มันจึงมีคนนี่เองเป็นเหตุอยู่มันจึงมีคนนี่เองเป็นเหตุเนื่องมาจากมีอาการคนเวียนอยู่หรือมันติดข้อง ยังหมุนเวียนอยู่ตลอดกาลเสียๆแล้ว อาการมันผสมปนๆนะ หมดๆนะๆเค้าก็ถึงซึ่งผู้รู้ความ ถ้าเรียกอย่างไทยๆก็เรียกว่าคนผู้ๆ ถ้าๆเขาแล้วก็จะเป็นพระจะหมดความหรือ ยังมีความหลงยังมีความไม่ เป็นแต่เพียงจิตแท้แท้ของผู้นั้นยังไม่ได้รู้เห็นความแท้จริงขอมอบตัวเข้าอยู่ นะเรียกว่าสมุทติ 2 ส่วนพระที่ๆๆ และบุญนั้นก็ได้เพียรพยายามๆๆหรือ เกิดจริงๆเกิดในจิตเกิดแบบผุด ได้กระทําจิตใจของเอา ปรับจิตใจปรับความจริงจนกระทั่ง ถ้าที่กลายจากคนรั่วหรือๆเป็นสําคัญถ้า พระอริยสงฆ์หรือพระอริยะเจ้าหรือพระอริยบุคคลแล้ว อ่าก็จะคุณจะมองจะเศร้านั่นคือ เพราะถ้าคนๆเรามันจะๆๆ ถึ่งจริงๆผู้ตั้งช่างเก่งการสามารถยอดคน อทีนี้ปัญหาก็มีต่อไปว่าทําอย่างไรล่ะ หรือได้ชื่อว่าให้ตัวเองๆนั้นคนมาจากอะไรหรือคน <Yeah. S 1> คืออะไรกันแน่นั่นแหละกันแน่นั่นแหละเมื่อๆแล้วเราก็ ด้วยจะตัดส่วนไหนในตัวคนมันจึงจะ ถ้าจะๆกรุณาคือกรุณาอย่ายึดเอา อย่าคิดๆมาแย้งที่ต้องบอกกล่าวๆให้หมด แต่สําหรับผู้ไม่ได้ศึกษาคือ เรียกอะไรก็เรียกกันไปๆก่อน 1 2 เร นะถ้าจะเปรียบกับรถยนต์ก็ ตัวเมตาจิตคนนี่โอ๊ยมันวิจิตรละเอียดละออกว่าจิต อย่าดวนไปคิดดักหน้าดักหลังให้ตัวเอง ร่างกายของรถมีทั้งเครื่องยนต์เครื่องอะไร มันก็เปรียบก็ๆสมมุติ กลับหลับสนิทชนิดเรียกว่าขี้เซาที่สุด สมมุติคนเป็นอยู่นะ นั่นก็ได้ในขณะที่ยังไม่ได้ติดเครื่องแต่ มันมีแหล่งพลังงานศักดิ์ ตามความสามารถของมันทุกประการและวิญญาณ นะนี่เป็นการอธิบายวิญญาณเป็นอธิบายขันธ์ ในจิตนี่แหละที่ตัวรู้เกิดเมื่อจิตรวมหกทางหรือหกด่านนี้เท่านั้น 6 คือรวม 6 าง, 6 นี่แหละท่านเรียกว่า 6 กว่า 6, 6 ทวารจริงๆแต่ถ้ารู้ได้เกิน ถ้าจะรู้ได้เกินหกทางนี้ท่านจะถ้ารู้ได้เกินนี้ก็เรียกว่าทางทิบกันแล้วกันได้เกินๆ ปัดตาแล้วก็มันก็เออรู้เหมือนกันน่ะด้วยสมมุติตาน่ะ <c oughs> ทางกายๆหรือๆเท่านั้นผ่านไปรู้โดยประตูจิต ดังนั้นคนจะรู้อะไรได้ก็ รถจะติดเครื่องเมื่อคนจะใช้เท่านั้นนั้นส่วนมากไม่ค่อยแต่ๆ ปุดๆอยู่ถ้าเรามีกิเลสบ้างๆสัญญา เพราะฉะนั้นคนจึงทํางานหนักไม่ใช่เล่นใน โอชะบานโอชะกลวงโอชะเบอะก็ จะแก่เยอะนี้ๆ แต่คนไทยส่วนมากเข้าใจคำว่าวิญญาณอันเป็นอนูคนไทยส่วนมากเข้าๆ ถ้าเทียบกับคนตาบอด 10 จะได้ไม่ไปสักใครๆมันรูปร่างอย่างไรส่วน แต่คนผู้พูดไม่ได้ยึดถือเกิด ในตัวเองเท่านั้นตัวเองเท่านั้นแต่ถ้า และวิญญาณที่อยู่ที่ตัวเรา และจะไม่หลงติดตามยึดถือวิญญาณอันใดเลยหมาย แต่ตัวที่วิญญาณที่ที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ย ถ้าเช่นนั้นวิญญาณของเราหรือวิญญาณของ คนแล้วก็ปล่อยไปมันจะไปไหนมันจะไปยัง เก็บวิญญาณใส่กล่องไว้เลยเออแต่จริงๆมันก็เป็นองค์ประกอบนะอ่าฮะ นั่นแหละนั่นแหละมันก็เป็นพลังงานเหตุปัจจัยทั้งนั้นฮะไม่ใช่พลังเสียงไม่ใช่พลังเสียง ตัวเป็นอย่างนึงไอ้จิบอุปกรณ์อื่นมาประกอบกว่า มันเกิดมาจากจิตวิญญาณที่ ก็เสียงที่เราพูดออกไปเมื่อกี้นี้เป็นวิญญาณแล้วมัน คงจะมีคนคิดเครื่องมือ แต่ๆ แต่พวกเราเบนแต่เครื่องมือไม่ หรือที่กลับมาสู่พบสู่ภูมิใหม่มัน ส่วนวิญญาณที่สั่งสมในตัวคนนั้น ของวิญญาณใหญ่อัน ตามตำแหน่งหรือตามความเหมาะสมที่สุดที่ เพราะฉะนั้นแม้มันจะยังมีชีวิตจิวามันนะ ที่มันตายน่ะมันหนีๆเลยนะแล้วมันก็ดับเหตุตัวเหตุ ถ้าจับกิเลสตัณหาอุปทานตัวพวกนี้แล้วดับมันตายสิ้นซาก โดยให้รู้ชัดๆเลยว่าไอ้ตัวตัวสิ่งที่ มันไม่ยอมแยกมันไม่ยอมหยุดมันไม่ยอมพรากโดย เพราะแม้แต่พระโพธิสัตว์เจ้าที่ยังไม่ยอมวาง มันก็ๆกิเลสมันเป็นๆนะกิเลสๆแล้วมันๆจนมันตายสนิท พาลหันจึงคือตัวทั้งเครื่องยนต์กับรถ แต่ถอนอนุสัยอสวะก็คงจะต้องถอนหม้อแบตเตอรี่ด้วยเถาะถอน<ด> พอท่านถอนแล้วพระอรหันต์เจ้าทื่นถึงไม่มีชีวิตจิวาเหมือน พระอรหันต์จาจึงๆๆคือความไม่มีอะไรความไม่กวน แล้วก็เลยประสมกันใหญ่ในนี้เกิดใหม่มาหลงมันสารพัดสารเพ สเกลที่เป็นจริงๆ ออกจากร่างผู้นั้นไปแล้วก็ย่อม เป็นแต่เปลี่ยนที่อยู่และแปรสภาพตรง มันก็ย่อมจะเช่นเช่นโลก บางบางอย่างก็อาจจะเร็วก็อาจจะนานน้อยหน่อย หรือในอะไรก็ได้ที่ใหญ่ คนก็คือๆและกวนๆกัน สสารส่วนที่แข็งเป็นๆ เนยดิตๆได้ดีกว่าธาตุอื่นและลมหรือ ก็มีพลังงานอยู่ในกายนั้นคือจิต คือกายและส่วนต่างๆของกายกับ ดังนั้นถ้าคนไม่มีจิตๆแต่ ที่จะมาก่อมาเกิดให้ต้นตั้งอยู่ได้มีอาหาร ถ้าได้เหล่านี้เป็นอาการของจิตหรือวิญญาณทั้งสิ้นเสพก็ยินดีถือว่า ต้องรู้ๆนานาเป็นตัวรถ ถ้าไม่มีจิตประกอบมันก็เหมือนก้อน แต่การสังเคราะห์แปลเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังที่โตใหญ่ขึ้นภายในกายนั้นเราไม่เห็นด้วยตานอกเท่านั้นแต่การสังเคราะห์แปรเปลี่ยนสภาพ แนวแบบถ้าใครตกแต่งเติมให้ ใช้เราสร้างตัวรถเราก็ใช้แรงแรงเหล่านี้ละลายอันเกิดจากน้ําเหมือนกันเราสร้างตัวรถ ที่จริงกายจริงไหมก็ๆจริงฮะจริงกายคนไม่มีอ่า มันเหมือนต้นไม้คล้ายๆกันนะมีมาเทียบเคียงยาก เพราะฉะนั้นจึงบอกได้แล้วว่า ดังนั้นๆหรือแม้รูปแห่งความนึกคิดก็เรียกว่ารูปทั้งสิ้นรูปแห่งความนึก รูปถ้าเป็นความรู้สึกหรือความรับรู้สิ่งนั้นจะไม่ใช่รูปความนึกคิดกับความรู้สึกเนี่ย เราจะได้ปฏิบัติต่อได้ถูก